ศูนเนื้อหาหลักอันหนึ่งที่เราจะมาเวิร์กช็อปกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่อง เ, อเรื่องการดูแลผู้ป่วยใะสุดท้ายเลยนะคะซึ่งจากคราวที่แล้วเนี่ยเราก็จะพอได้ชิมชินกันไปบ้างนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นทั้งเรื่องศาสตร์แล้วก็ศิลในการดูแลมากๆนะคะซึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ป่วยละสุดท้ายอย่างเดียวแม้ทั้งคนใกล้ชิดหรือว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะ วันนี้ที่เราจะฝึกกันเนี่ยจะเป็นทักษะอันหนึ่งที่สำคัญมากๆกนะคะก็คือเรื่องทักษะการฝังนะคะ เ, เมื่อเช้าเพิินได้ยินหลายท่านว่ามีโอกาสได้ไปทำอะไรเยอะนะคะอย่างเช่นได้มีโอกาสไปช่วยผู้ที่เขากำลังจะใกล้ตายนะคะช่วยทำให้เขาเกิดความสงบบางท่านไป ไปเยี่ยมเพื่อนที่กําลังเผชิญกับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าหลายท่านเห็นว่าทําหน้าที่ให้คำปรึกษาด้วยนะคะเพราฉะนั้นเชื่อว่าพวกเราคงมีทักษะบางอย่างในเรื่องของการฟังนะคะก็เลยอยากจะช่วยชวนพวกเราช่วยแบ่งปันหน่อยได้ไหมคะว่าการฟังแบบไหนหรือว่าวิธการรับฟังอย่างไรที่มันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยหรือคนที่เรากําลังไปช่วยเหลือได้ ดูไหมคะที่ที่เราคิดว่าตอนที่เราไปาไปคุยไปเยี่ยมหรือไปให้คําแนะนําตอนนั้นเนี่ยมันมีเราเราใช้การฟังแบบไหนที่มันทําให้เราเนี่ยสามารถที่อ๋อเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะเขาต้องการอย่างนี้หรือเปล่าหรืออย่างที่เมื่อกมื่วันพระแดงบอกว่าเออฟังสักพักหนึ่งเรารู้ว่าเขาอยากได้เพื่อนเออไอแบบเนี้ยราเราเราเราเร า, เร า, เ, ร า, เ, ราเราใช้วิธีการฟังแบบไหน ก็แล้วตอนที่เขามาเล่าเล่าไให้ให้เราฟังเนี่ยก็จะพูดทางโทรศัพท์ตลอดเลยทางโทรศัพท์นะคะว่าเออพี่ตอนนี้คุณแม่เริ่มเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่เริ่มเลยนะคะแล้วก็จะฟังคือจะไม่ค่อยออกความเห็นไม่ไม่พูดค่ะฟังให้เขาพูดพูให้เขาให้เขาพูดออกมาก่อนหพูดหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้แล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะแล้วคุณทํำยังไงล่ะคือไม่ได้ไปบอกเขาเป็นแต่ถามเขาว่าเขาต้องมีคำตอบของเขาอยู่แล้ว หรือเต้องทอําแล้วนะฮะคือเคยแนะนําเขาว่าเขาเออคุณทําอย่างนี้ได้ไหมซึ่งจะได้ดีขึ้นคงทําไม่ได้เขาก็ให้เหตุผลว่าโอเคทําไม่ได้ไม่เป็นไรคุณทําได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเนี่ย ก, ก็แค่นี้แล้วจากนั้นมีอะไรเขาจะโทรมาคุยกับเราอยู่ด้วยด้วยเราไม่ค่อยได้ให้คำปรึกษาอะไรเขาจริงๆอ่ค่ะจนไปวันนั้นที่ที่ใกล้ที่จะจะเสียแต่เนี่ยยังจะบอกว่า <c oughs> คุณไม่ต้องไปพูดอะไรมากนะอก็จะพูดว่าให้คุณคุยกับคุณแม่สิคุยปกติธรรมดาเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนความจําก็ดีแล้วก็พูดอะไรขำๆอยู่เนี่ยนะฮะก็บอกคุณก็ใช้มือของคุณน่ยนะคุยกับคุณแม่เล่นๆไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้มาตลอดแม่ก็ดีค่ะก็บอกไปทําบุญก็ทําบุญเพื่อก็ทําตามเนี่ยนะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นฝ่ายที่ฟังมากกว่าไม่ค่อยได้ไม่ได้ไปบอกให้ทําอะไร คือเราฟั ง, ฟงทั้งหมดดูก่อนฟังทั้งหมดแล้วก็วสูงนิดนิดนึดนงนะหอือไม่คุณทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเ ง, งี้ยนะฮะจนกระทั่งคุณหมอบอกว่าเอาก่อนสุดท้ายว่ามันหนักแนละ้วหนักแล้วแล้วก็บอกพอแต่แตัวเองก็บอก้ะ ก, กันแรกเลยนะบอกว่าเราคุยกันหนาสานะที่ผู้ปฏิบัตินะอคุณเนี่ยเตรียมของทุกอย่างไล้วให้คุณแม่ให้หมดนะ <laughs> ซ้ำนะแบบประชาชนคุณเตรียมให้หมอแล้วคุณไม่ต้องเอะอะบอกให้ใครรู้คุณทํำเงียบๆ เ, เสื้อผ้าคุณแม่อยู่ที่ไหนอะไรอะไรเงี้ยเตรียมไว้คุณได้ใช้คือเขาก็ปฏิบัติแล้วก็ทราบอาการของคุณแม่เป็นยังไงเท่าที่ฟังเราไม่ไปพูดถึงเรื่องเจ็บไข้เราพูดถึงเนี้ยบอกว่าอันนี้เตรียมไว้เนี่ยไม่เสียหายนะคะเขาก็บอกอ่ะเขาทำเสร็จแล้วนะอ่าโอเคคุณไม่เป็นไรแล้วก็เฉยๆ เ, เอาไว้คุณเตรียมที่ว่าถ้ามันฝุ่นปับเนีย่ยคุณจะใช้ใครทําอะไรอะไรเงี้ยติดกันไว้ซะก่อนค่ะตอนตอนนั้นเรารู้ได้ยังไงเขาว่าเขา กำลังต้องการคําแนะนําแบบนี้ละคือคิดว่าคนเรานะฮะพอถึงตรงนั้นเนี่ยมันโอ้เตรียมททบตายก็สุดละหุกค่ะซึ่งอันนี้เราเรารู้เองหรือว่าเขาบอกออคือคื อ, คอเคยเห็นในตัวเองก็รประสบการณ์สะสมจากประสบการณ์ตัวเราเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยหลายคนเลยน ะ, ะที่ว่าพอเราเห็นอาการหนักหนักาก็จะไปบอกเขาแต่ต้องสนิกันมากๆเลยนะคะคุณเตรียมไม่ได้เลยนะใส่ท้ายรถไปเลยอะไรเงี้ยไงั้นเดีย๋ยวคุณจะไม่ด้ออกเนี้ย ฟังเสียงก็บอกว่าเออแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรรูปคุณทำอะไรนั่นแล้วพอ <c oughs> พูดถึงเรื่องไม่สบายพเพราะเรื่องไม่สบายเนี่ยเขาจะแย่มากเลยใจมันแย่มากๆมันไม่มีที่พึ่งเลยค่ะคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นออแล้วคุณฟังเป็นยังไงแล้วอาการคุณแม่เป็นยังไงนะเขาบอกแม่เป็นเงนี้เออคุณก็ทําใจได้ไม่ใช่เหรอฟังเสียงคุณเนี่ยคุณก็รู้นี่ว่าคุณแม่อะไรจะอะไรอย่างเนี้ยเออคุณก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะส่วนกับคุณลุนแม่แต่ปกตินี่แหละ แตว่าให้เพิ่มความสัมผัสให้มากขึ้นไะจับนวดขานวดแขนอะไรเงี้ยให้เขาทำไปเรื่อยๆนะคือให้รู้ว่าเราอยู่ใกล้ๆนะแม่กนะ็นะเขาเป็นรูปคนเดียวนะ เ, เขาบอกคุณแม่ก็ดีขึ้นเอาไปใส่บาตแล้วอะไรเงี้ยนะฮะหายไปสองวันกลางดึกโทรมาห ม, อ, ามาอก็มาบอกเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่อยู่ไม่เกินสองชั่วโมงขณะที่เขาพูดมันก็ตกใจมากเลยเขากลัวเขาไม่ทราบว่าเขากลัวอะไรเขาบอกนูกลัวแม่ตอนนี้อยู่ในตู้โทรศัพท์นะก็เลบอกคุณชัยเย็นๆใจเย็น ร้องไห้พูดไปเรื่องอ่ะโอเคร้องก่อนร้องก่อนไม่จะพูดจเป็นตอนๆไปนะครับจร้องไห้แล้วก็พูดไรก็แสดงว่าในช่วงที่เราฟังทางโทรศัพท์เนี่ยเราต้องมีค่อนข้างค่อนข้างจับอะไรบางอย่างได้ใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นเราใช้อะไรในการที่เราจะจับว่าไอ้ตอนนี้เขาแบบต้องปล่อยเขาร้องไห้ก่อนนะเราทำคือคิดว่าใช้ความเงียบนะคะใช้ความเงียบใช้ความเงียบของตัวเราของตัวเราใช่ความเงียบของตัวเรา นี่จะจะอันนี้เราต้องเรารวมไปถึงว่าเราต้องเราต้องนิ่งมากพอที่เราจะเราต้องนิ่งมากพอมันจะไปแยง้งะะไปแหนะไปะอะไรหนึ่งมัน ม, ม, มันไม่เกิดประโยชน์ตรงนั้นแล้วเพียงขอให้เขาสงบตอนนะั้นนะคะค่ะถ้าเขาสงบเขาก็จะเกิดปัญญาใช่ไหมคุณอย่างนี้แล้วใช่ไหมและคุณออกมาตอนนี้ขรอยคุณแม่หมออยู่เป็นไรหมออยู่คุณมีอะไรคุณพูดไปที่จะคุยอยูคุณคุณอย่างเนี้ยเพียงขอคุณจะเข้าไปก็ไม่ต้องห่วงเลยจะตีอะไรคุณโทรมาหาพี่ได้เราจะคุยอย่าทางโทรศัพท์นี่จะจะใช้อย่างเนี้ยแล้วก็ เช้าเขาจะมีโอกาสได้ให้คุณแม่ทำบุญอีกครั้งหนึ่งคือเช้ามาเขาก็รายงานว่าคุณแม่อย่างนั้นคุณมีโอกาสทำบุญให้คุณแม่ไหมสังฆทานเดี๋ยวเนี้บอกสังฆทานกลัวทำไม่ทานจากว่าไปซื้อของเนี่ยทานก็โชคดีมีพระมาสององค์เขาก็เดินไปเขาเห็นนะแล้วก็วิ่งไปบอกท่านบอกว่าท่านอย่าเพิ่งไปนะก็เอาอาหารนี้ไปให้คุณแม่จแล้วก็วิ่งออกมาใส่ท่านตกายคุณแม่เขาก็เสียแล้วคุณแม่เสียย้ายังมีสติด้วยนะฮะ ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรแต่ะอะไรเลยขณะที่เสียเนี่ยเขาก็จับมือลูกหลานให้เอาไว้ปกติมากไม่มีอะไรนี้แล้วก็จใจดีแต่ข้อสําคัญเนี่ยเวลาคุยกับใคร้ที่เจ็บหนักๆ น, น, นะฮะพู้อย่างผู้เชี่ยวชาญมีความรู้สึกว่าเราใช้ความเงียบเนียช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าดีมากดีมากเลยค่ ะ, คะดีอะไรเงี้ยใครจะเห็นเป็นของเครียดหรื อ, ร อ, รอบางครั้งเราก็ต้องพูดให้เขารู้ว่ามันเครียดนะ แตบางครั้งที่แบบเขาเขานั่นนี่อะไรเงี้ยคือมันมีบางคนไม่เห็นด้วยนะฮค่ะเอ้ยเหมือนไปแช่งก็เราจะพูดอย่างถำๆเฮ้ยไม่แช่งนะเห็นเพื่อนนอนมาอย่างนี้นานแล้วอะไรอย่างเงี้อาจจะพูดเงี้ยแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรนะก็จะใช้คือใช้คิดว่าวิธีเงี้ยกับคนไข้ในดีสุดแล้วก็ใช้การสัมผัสค่ะมันมันจะถ่ายทอดถึงกันกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็อันนี้น่าสนใจนะคะว่านอกจากที่เราฟังฟังให้หมดก่อนแล้วก็ดูว่าเออตอนนี้เขาเป็นอะไรยังไงแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ความนิ่งของเราด้วยในการที่เราจะรับรู้ว่าสภาวะเขาบางอย่างตอนนี้เป็นยังไงเขาต้องการแค่ไหนอย่างไรนะคะท่านอื่นล่ะคะมีประสบการณ์ในเรื่องการฟังได้ยังไงบ้างที่เรารู้สึกว่าเราการฟังตรงนั้นเนี่ยช่วยทำให้เราเข้าถึงหรือว่าเข้าใจความต้องการเขาบางยางไง เรื่องเรื่องราวที่ว่าเราพูดอะไรแต่สิ่งที่ซุยกยางจะถามคือเรื่องว่าจุดสําคัญจุดใหญ่ใจความของการเราฟังซึ่งอย่างลึกซึ้งเนี่ยเพื่อจะเข้าถึงเขาเข้าถึงความสุขแท้จริงของเขาเนี่ยอยู่ที่เรื่องอะไรครับอยู่ที่ตรงไหนมันนะครับเชนค่ะเชนลิมมอค่ะเพื่ออันหนึ่งที่ที่ที่ลองใช้ดูแล้วก็คือพยายาม เวลาฟังพยายามเหมือนกับว่าเราเอาใจไปไปอยู่ในฐานะเขาเมือนสมมติฉันนักการว่าเราจะรู้สึกยังไงเพื่อที่จะพยายามทำความเข้าใจกับเขาแล้วก็แล้วกเ็เวลาฟังคำพูดเนี่ยจ ะ, จะพยายามสังเกตว่าสิ่งที่เขาพูดบางทีก็ไม่ไม่ได้ตรงกับ ส, สิ่งที่ในใจเขาที่เขาสื่อสาร คุณยามจะรู้ได้ยังไงคะท่านจือคื อ, อต้องใช้เวลาคือให้เวลาในการคุยแล้วก็เดี๋ยวมันจะออกมาเองว่ า, าคือตอนแรกอาจจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วจริงๆสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อจริงๆมันนี้อีกอย่างเงี้ยใช่แล้วก็บอกไม่ถูกเหมันมันก็จะรู้ว่ามันจะใช้เวลาแล้วก็ใช้เวลาแล้วบางทีก็จะฟังไป ป่อยเขาพูดไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะจับจุดบางจุดได้แล้วก็ลองลองหยิบจุดนั้นขึ้นมาซักต่อเนี่ยมันก็จะออกมาที่แสดงว่าช่วงแรกๆฟังอาจจะมีเส้นบางอย่างว่าเขาพูดเรื่องเนี้แต่ว่าเรายังคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ความต้องการลึกๆของเขาก็สักพักหนึ่งจนจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีบางเรื่องนี้เราก็ค่อยซักต่อไปแต่ต้องให้เวลาด้วยใช่เวลาใช่เวลาอ่าใช่ขอบคุณค่ะ แรกที่ผีที่แล้วนะครับ เ, เราเราได้พูดมันบ้างมาว่ามันจะมีบางช่วงที่ผู้ป่วยเนี่ยในสุดท้ายจะยังไม่วางใจอะครับโดยเฉพาะปุปที่อยู่ลึกๆเนี่ยครับเพราะมันจะต้องมีหลายหลายโอกาสหลายเวลานะครับหลายชุดงี้แล้วก็ต้องอดอดทนบางอย่างใช่ไหมท่านจี้จอเเสริมเล็กนะเนื่องจาะว่าในบางกรณีเนี่ยไปพบกับอาผู้ป่วยที่ที่ไม่รู้จักกันเลยแล้วเราเป็นใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่ เห็นได้ชัดแล้วว่านรกสุดคงไม่วางใจแต่พอคุยไปคุยไปแล้วก็อาจจะเขาก็รู้สึกว่าเราก็ด้วยด้วยภาษาทางกายและภาษาทางการสื่อว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่มุ่งร้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือเราพยายามความพยายามของเราในการที่จะจะฟังเขาเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกวางใจในการพูดขึ้นมาอย้เหมือนกรณีที่ของอาอาที่ไปกับอินปัสสีเนี้ยจะเห็นชัดเลยว่า ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งตอนแรกก็จะบ่นนู่นบ่นนี่ไปก่อนแล้วก็ใช้เวลาครับหนึ่งแล้วก็ถึงจะค่อยวางใจแล้วค่อยค่อยพูดแตงว่าความไว้วางใจนี่สําคัญ่มันจะดีที่สุดถ้าสมมุติว่าเรารู้จักกันคิดว่านะแต่แต่ถ้าไม่รู้จักกันก็ยังได้อยู่ไหมก็ได้แต่แต่ใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็หลายองค์ประกอบด้วยหลายหัวใจ เดี๋ย ว, วคนเพราะว่าบางทีเป็นพระกับอลมบากกว่าเป็นเป็นคารวาาใช่เป็นค า, าราวาร า, วาอาจจะแบบว่าจริงๆแล้วบางเรื่องอ่ยมีความรู้สึกค า, ารวาหน่าจะทำได้ดีกว่าอ๋ออย่างนั้นนค่ะค่ะวาสีค่ะเชิญค่ะบางทีเห็นแ บังเอิญทั้งสองรายเนี่ยเป็น เ, ออเคสที่เขาเข า, เขาติดต่อเราเข้ามาเองนะฮะดังนั้นอันนั้นทําให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายที่เชื่อเราแล้วตั้งแต่อย่างไม่รู้จักกันเลยแล้วทั้ง2องเคสก็เป็นเคสที่ไม่รู้จักเลยเคสนึงนั้นน่าสนใจเพราะว่า เ, ออเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวจะมาเรื่องการฝังนิดนึงนะฮะแต่ว่าเคสที่สองน่าสนใจเพราะว่าเดินลง พอติดต่อเข้ามาเนี่ยเรากังวลทันทีเลยเพราะเราไม่รู้จักเขาเลยตอบท่านอาจารยสารก็ตายละแล้วจะทํำยังไงเนี่ยแล้วท่านท่านเมตตาคือเล่าเรื่องให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะติดต่อก่อนที่เขาจะมาพบด้วยตัวเองเขาพูดทางโทรศัพท์ก่อนว่าปัญหาเขาเรื่องมะเร็งเรื่องอะไรแล้วเรื่องเด็ลูกสามคนแต่น่าสนใจมากว่าเดนอยากจะถามท่านอาจารย์มากกว่าว่า เดนโทรไปถึงท่านแล้วเดนเล่าอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงสาวลูกเล็กๆสองหรือสามคนะมะเร็งที่เต้านมขั้นที่สองอฐานะดีมากเดี๋ยวฉลาดแล้วลตายละเดี๋ยวเขาเข้ามาพบเดนเนี่ยแล้วเดนจะทํำยังไงเดนอยากจะสัมภาษณ์ท่านอาจารย์มากกว่าเพราะว่าท่านไปสารท่านบอกว่าอาตมาคิดว่าเรื่องเหมือนไม่แค่นี้ มันมีอะไรมากกว่านี้ที่เขากังวล น, นะแล้วก็ท่านพูดอีกคำหนึ่งว่าเต้านอกที่สองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนมีอกที่จะรักษาได้ให้แต่มั่นใจเลยว่ามีอะไรมากกว่านี้นอยากจะทราบว่าแล้วท่านก็บอกหาท่านก็บอกว่านีอ่อันนี้อยากจะถามท่านว่า ทำไมท่านถึงได้คิดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถึงมันจะเป็นขั้นที่สองหรือขั้นอะไรก็ตามแต่คนฆ่า ย, ยัางไงก็ต้องกลัวว่าตัวเองจะตายแต่ทำไมท่านถึงมั่นใจนักว่ามั น, นมีอะไรมากประเด็นที่สองที่จะพูดให้จบเลยก็คือประเด็นของการฟังการฟังเนี่ยท่านพบว่าพอเราตั้งใจัน อ, อันนี้ไม่ใช่ในประเด็น2เคสนี้แต่ในประเด็นที่ว่าท่านมองดูตัวเองแล้วว่า ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําเข้าไปทําหน้าที่นี้เนี่ยยังไงเสื่มันมีความกังวล<ม>อยู่ในตัวเองว่าฉันจะทําได้หรือเปล่านะฮะตัวเองคิดว่าจะต้องทําอันนี้ซะก่อนว่าไอ้ความจะต้องมองอาการของจิตที่กังวลอันนี้ว่ามันเป็นอัตตาอัตตาว่าฉันจะทําได้ดีหรือเปล่า แล้วคิดว่าเราจะต้องวางอันนั้นซะก่อนก่อนที่เราจะฟังได้อย่างลึกซึ้งแสดงว่าขณะที่เรากังวลเนี่ยมันมีผลกับการรับฟังของเราเพราะฉะนั้นจึงจึงจึงต้องฝึกตัวเองให้วางความกังวลนั้นซะก่อนโดยโดยโดยเห็นหน้ามันว่ามันเป็นการกังวลที่มาจากการรักตัวเองว่าฉันจะทําได้ดีหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ได้ทําอันนี้เหมือนกันนะฮะก่อนที่จะไปเนี่ยต้องระวังเรื่องอัตรามาก เรื่องที่สองก็คือว่าเพราะว่าได้เคยฝึกกับท่านติชนัดรัในเรื่องดิฟลิส n i n g ว่าเวลาฟังนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่มีการวิจารวิจาร์ารเขาไม่ถึงไม่มีเสียงวิจารอยู่ในตัวเราไม่มีการวิจารเขาว่าทำไมไม่นา่าแบบนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ ท่านจำได้ว่าท่านสอนเอาไว้นะคะว่าเวลา d e Deep listening เนี่ยให้มันนิ่งจริงๆในในใจเราคือไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่เขาพูดดั้ก็ต้องใช้คาว่าเอาเอาจุดนั้นเข้ามาด้วยครนี้ในกรณีที่ท่าอาจารย์ไพศาลบอกว่ากรณีนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรมากกว่านี้เนี่ยอันที่จริงพอเข้ามาพูดเขาก็พูดอยู่แค่นั้นนะฮะ แล้วทำยังไงล่ะถึงจะได้อย่างที่ท่านบอกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นก็เหมือนกับคุณป้าแดงอะค่ะคือว่ามันเราจะต้องใช้จังหวะของความเงียบแต่พอเขาไม่พูดต่อนเนี่ยก็จะค่อยๆถามว่าแล้วมีอะไรอีกไหยที่กังวลก็มันก็ออกมาค่ะคราวนี้ถามพระนอาจารย์กลับว่าทำไมแดนเล่าเรื่องแค่นี้ตอนต้นเนี่ย ว่าเนี่ยคนนี้จะมาพบทำไมท่านถึงได้มั่นใจนะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นค่ะเดี๋ยวก่อนที่พระอาจารย์จะช่วยตอบนะคะคิดว่าพระศรีพูดสองประเด็นน่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เรามีความกังวลเนี่ยมันลบกวนมันทําให้เราฟังได้ไ ม, ม่เป็นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาจจะก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องแบบนี้เนี่ยแหละจะต้องกลับมาดู ต, ตัวเองก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยเราข้างในเรารู้สึกยังไงอยู่ใช่ไหมคะ่ะแล้วก็ทำให้มันตรงเนี้ยเรารับรู้แล้วก็วางได้ก่อนแล้วถึงจะเข้าไปนะคะอันที่ประเด็นที่1อันที่2ก็คือว่า เวลาที่เราเข้าไปเนี่ยบ่อยครั้ทงที่พอได้ยินปุ๊บมันจะมีเสียงในใจเราใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมันใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยคือเราต้องพยายามให้มันว่างๆไม่มีเสียงเหล่านี้ใช่ไหมคะเราจะไ ด, ได้ได้ยินสิ่งที่เขาบอกเรามากขึ้นนะคะค่ะที น, นี้พระสีถามพระอาจารย์ว่าตอนนั้นทําไมถึงได้รู้สึกว่ายังมีอะไรอยู่ในในข้อมูลที่ให้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช้อะไรคะจับจับเซนยังไงคะ คืออาต่าไม่ไดมั่นใจนะแต่สงสัยแค่นั้นเองอ่าสงสัยเพราะว่าฟังจากที่ฟังจากที่คุณหญิงอ่าเล่าเนี่ยเขาซึ่งรู้สึกว่าเป็นความสามารถในการบรรเล่ามากกว่า <c oughs> เล่าทําให้อตาตมารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอ่ <c oughs> ใช่ไหมคือถ้าถ้าหากว่าล่อแบบพุ่นห้วนเนี่ยอตาตมาคงจะอาจจะเข้าใจเปิดทางแต่ว่า เท่าที่เล่าเนี่ยซูว่าเล่าแบบฟังดู ม, มันกบประโยค์ต่อประโยคน์เนี่ยใช่ไห้ตาตัมาสงสัยไม่ได้มั่นใจแต่สงสัยเพราะว่ามันเจอเจอเคสแบบนี้เนี่ยหรือได้ยินได้ฟังเคสแบบนี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะและ้วก็อย่างเช่นตัมมาก็พบว่าส่วนใหญ่คนที่เจ็บป่วยเนี่ยอาการทางกายเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องสําคัญตั้งอาการทางใจแล้วก็โดยว่าคนที่มีอาการที่วิตกกัง กังวลฟังจากที่คุณหญิงเล่าเนี่ยก็จะมีความรู้ตกกังวลแล้วก็จะมีความรู้สึกอะไรที่มันเป็นความทุกข์อยู่ข้างในซึ่งอะไรเป็นเรื่องครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยซึ่งอาจารมาก็เลยคิดว่ามันน่าคือฟังจากที่ที่ปัญหาที่เขาพูดเนี่ยกับอาการที่เขาแสดงออกเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่สอดคล้องกันก็เลยคิดว่ามันตคงมีอะไรตัวแปลกทั้ตัวสองตัวที่ ท, ที่ทําให้มัน ทำให้เขามีอาการอย่างนั้นอาการทางใจหรือคําพูดที่เขาแสดงออกมาอย่างนั้นเนเป็นความสงสัยฮะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจคิดไอ้ข้อสงสัยนี้ถูกผิดก็ได้ใช่ไหมคะใช่งก็เลยก็เลยฝากว่าก็เลยฝากคุณหมิงว่าให้ฟังฟังฟังเขาก่อนซึ่งถ้าไปเราเราข้อสงสัยนี้เราลองไปฟังไปไปถามหรือว่าลองดูรูแล้วมันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่แต่ถ้ามีเนี่ยมันก็จะค่อยออกมาที่คุณหมิงเล่านีซึ่งที่ คุณมีได้พูดไปเรื่องว่ามีอะไรที่กังวลไหมเนี่ยดูจังหวะแล้วพูดไปเนี่ยหลังจากที่ฟังเขาแล้วก็อาจจะมีไอ้ท่วงที่ฟังนี่คงจะช่วยเขาได้ได้เยอะอยู่แล้วสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความเป็นเพื่อนแล้วพอถามตรงนี้เข้าไปเนี่ยตรงนั้นมันก็ไอทําให้เขาเขาอาจจะยังไม่ได้คิดแต่ก็ได้คิด แล้วก็ตอบหรือค่อยจะคิดอยู่แล้วแต่ก็ไม่พูดแล้วก็มั่นใจที่จะพูดอัตมาเชื่อตรงนี้สําคัญใช่สำคัญขึ้นค่ะอาจารย์ซึ่งซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเผื่อว่าเดี๋ยวเรามีโอกาสได้ฝึกแล้วอาจจะได้เห็นเงี้ยมุมอื่นเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแต่นี้อยากให้ช่วยมาดูตรงนี้ก่อนว่าน่องจากที่เมื่อกี้เราพูดกันไปไหลายประเด็นแล้วเนี่ยว่ามันมีจุดสําคัญยังไงบ้างที่ทําให้เราสามารถรับฟังได้ดีเนี่ยเราพูดไปทั้งเรื่องของความไว้วางใจมีความนิ่งความเงียบเราฟังให้หมด นะคะมีข้อสงสัยได้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องต้องถูกหรือผิดเสมอไปนะคะมีเรื่องคลายความกังวลของตัวเองแล้วก็รับฟังด้วยความที่รู้สึกว่าข้างในเราว่างๆเนี่ยนะคะมีเรื่องอื่นอีกไหมคะเช่นค่ะยังไงค่ะขยายความนิดเดีอันนี้เป็นคำถามหรือว่าแล้ว คำถามจะแล้วโดยส่วนตัวของพี่อ้อยคิดยังไงคะเพราะว่าตัวเองไม่เข้มแข็งแล้วเราจะทำได้ไหมก็คือเราแบบไม่เข้มแข็งหมายถึงว่ากลัวไปร้องไห้ใส่เขาเลยเนี่เพราะฉะนั้นเราเราต้องแบบเราต้องเข้มแข็งไหมอ่ะเออคือคือโป<อ> ซึ่งถ้าไปร้องไห้ใส่เขาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะคะโอ้โหเขาก็แย่เลยเขาก็แย่เลยใช่ไหมะมคือเราต้องต้องแบบฝึกก่อนหรือว่าเราต้องต้องแบบมีสติในการรับฟังแล้วก็แบบคือเข้มแข็งอมที่ก่อนที่เราจะไปรับฟังไปไปซัพพอร์ตเขาท่านจิ๋วจะเสริมประเด็นนี้ค่ะคือเป็นเป็นช่วยกันแลกเปลี่ยนก็คือว่าอย่าง อย่างกรณีผู้ป่วยนี้ไม่ไม่เจอหนักแต่ว่าเคยเจอคนที่เป็นดีเพรสต้องรู้สึกรู้สึกต้องมีกําลังใจมากเพราะาบางทีนั่งฟังเขาเป็นชั่วโมงแล้วก็พูดถึงเรื่องแต่เรื่องมืดตลอดเวลาอยากจะไม่อยากอยู่แล้วอยากจะฆ่าตัวตายอะไรเนี่ยเราทนฟังอย่าง น, น, งนี้แล้วก็สังเกตแม้กระดั่งพราเองที่ที่ฟังเขาก็หลายรายก็ต้องถอยไปเรื่อยๆบางทีก็ฟังไปอยู่เขาสักคือ ตอนนั้นที่ว่าต้องผัดกันผัดหน้าที่กันเพราะว่าพอไปฟังแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่มีอะไรที่จะรักษาใจเหมือนฟองน้ำอะ<ม>ไปซึมซับเอาความทุกข์ของเขามาเป็นของเราแล้วเราก็เลยพลอยทุกข์ไปด้วยมีหลายรูปเลยที่แบบว่าพออยู่กับเขาแล้วก็ตอนคืนก็นอนไม่หลับ ม, มันรับมาด้วยอันนี้น่าจะเป็นอันนึงเหมือนกันที่ที่น่าจะสําคัญแล้วอีกอันนึงที่เมื่อกี้นึกออกอันนึงว่า คือบางทีสิ่งที่คนพูดหรือคนถามบางทีเขาไม่ไต้องการคําตอบอันนี้จากประสบการณ์ของการที่นั่งฟังคนถามคําถามเนี่ยอันนี้ก็น่าเปลี่ยนเพราะาทุกคนอาจจะต้องได้แหบนี้เป็นพระมานี่รู้สึกว่าคนไม่ได้ต้องการคําตอบจากพระม <laughs> ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการแล้วเขาต้องการอะไรคะ <laughs> ก็ต้องการจะพูดอะไรให้ฟังแต้องกา็คนฟังอ่าแล้วก็ที่สําคัญต้องการคํายืนยันการตัดสินใจของเขาว่า สิ่งที่เขาตัดสินใจใ น, นมันดีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องไปตอบเขาว่าก็ได้ก็คือฟังฟังเป็นหลักไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้ใช่มอ้อยว่านะครับคือว่าคือพี่ฟ้งนะครับที่เป็นเบียกรประจำกลุ่มของเราเนี่ยอยากจะบอกว่าฟังหาเกินไปก็ไม่ดีนะฮะ มันจะเป็นฟังแบบสังเกตการนะฮะแบบผังหาเมื่คนเห็นพ่อมูนะครับซึ่งมันจะไม่ไม่เข้าถึงความรู้สึกเขาแต่ฟังใกล้เกินไปก็ไมโ่โอเคคือมันมันแบบที่จิ๋วว่ามันเข้าไป อ, ไอินเข้าไปมากครับแล้วมันวางยากมากมันไปกับเขาเลยเนี่ยจำลองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเข้มแข็งก็คงไม่เชิญ น, นะครับเพรว่าฟังมันพอดีพอดีอะครับใกล้พอดีพอดีอะครับ มันแบบแน่นไปก็แน่นไปเราก็อิมมากห่างไปแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลแค่นั้นเองอะ่ะอันนี้พี่พี่ฟงแกจะแนะนําว่าเออถ้าถ้ารู้สึกว่ามันห่างไปก็เขาเขาข า, ขาไปใกล้นิดนึงเนี่ยมันมันแล้วแต่มันเป็นมันเป็นสไลด์อ่ะครับมันแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนด้วยนะครับเรื่อความพอดีเนี่ยอาจจะต้องดูดูเอาเองเรื่องความเข้มแข็งเนี่ยบางทีเข้มแข็งนี่ไม่ดีนะเพราะว่าพอเข้มแข็งแล้วเรา ไม่รู้สึกเขาเรียกว่าเอ็นพาที่ไม่รู้สึกถึงความสุขความทุกข์ของเขาแล้วก็มักอาจจะมีน้นมที่จะไปสอนเขาเช่นให้ทําใจให้ให้ปล่อยวาง <c oughs> คํานี้คือคําที่ที่เรียกว่า เ, าเรียกว่าต้องห้ามพูดเลยเพราะว่าคนคนที่คนที่คนไข้เนี่ยเขาจะได้ยในฝังมากเขาเขาจะไม่ได้ยินจากปากของเราคนเดียวจะได้แต่ได้ ย, นยินจากปากหลายคน ซึ่งเขาจะออดทนหน่อยซีอะไรเงี้ยมีคนนึงเนี่ยก็พยาบาลนี่ก็บอกว่าป้าอดทนหน่อยนะแกก็บอกเธอไม่เป็นอย่างฉันนี่ใช่ไหมแล้วตรงนี้เนี่ยตรงไอ้คือเวลาเข้มแข็งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยมันมันเล็กน้อยหรือว่าขเขาโวยวายเกินเหตุ มันซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีน โ, นโนที่อาจจะไปสอนเขาซึ่งการสอนเขาเนี่ยจะ ย, ยิ่งทาให้เขารู้สึกว่าเขาเขาแย่ลงหรือเขาทาทำไม่ถูกซึ่งในยามนั้นเนี่ยเขาต้องการเพื่อนมากกว่าเขาต้องการเพื่อนมากกว่าคนสอนเมาเชื่อตรงนี้อาจต้องต้องระวังกัน นะความเข้มแข็งของเรามันบางทีมันกลายเป็นเป็นกำแพงที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างสมรรถภาพกับเขาอย่างเสมอบาเสมอไหลนะซึ่งตรงนี้สมาคิดว่าคนไข้ต้องการมีประเด็นอื่นไหมคะเชนคือคนไขเ้เป็นลูกตัวเล็กของเพื่อนนะคะ คือจริงๆก็ไม่ใช่คนไข้คือเพื่อนคนนี้เขารอลูกมานานมากอ่ะค่ะแล้วพอเขาได้ลูกมาเนี่ยเออพอคลอดออกมาปรากฏว่าอยู่ไม่ไม่ไม่ถึงขวบเนี่ยมีเนื้องอกในสมองอะค่ะแล้วผ่าไม่ได้เพราะว่าตัวเล็กเกินแล้วตายแน่ๆค่ะแล้วเขาเป็นคนอุดรเขาก็เลยขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วเขาก็โทรมาหาอ๋อมก็ไปหาเขาเนี่ยค่ะก็นั่งร้องไห้กันเนี่เลยเพราะมันเศร้าจริงๆอะค่ะลูกคนแรกค่ะเราก็ไม่รู้อะไรอะ่ะ เขาก็ร้องไห้แล้วมันก็เศร้าเราก็ร้องไปด้วยร้องกันใหญ่เลยเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะแล้วเขาก็ไปดูแลลูกต่อเราก็ไปนั่งเศร้าต่อนิกหน่อยคือกินข้าวเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปอ่ะชีวิตมันก็เดินต่อไปพอขึ้นมาก็ร้องไห้กันใหม่เสร็จแล้วลูกเขาก็ตายไปแล้วก็มีลูกใหม่คือคือมันก็ไปเรื่อยๆแต่ตอนที่มันเศร้ามันก็เศร้าจริงๆแล้วเราก็ปลอบเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็เศร้ามากเลยอ่ะ ที่นี่ตอนนี้มันก็เลิกเศร้าแล้วคือมันก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้อะไรสองคนก็ตามไม่รู้อะไรแต่ว่าก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะค่ะมันก็คิดว่าคงไปร้องไห้ใส่เขาอ่ะก็คือเราก็รับรู้ความรู้สึกเขาตรงนั้นใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะทําอะไรไม่ได้มากคือเขาก็ร้องไห้เราก็ร้องมันก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราร้องก่อนเขาด้วยเพราะเขาคงร้องมาแล้วแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเราก็เลยร้องอย่เลยแล้วเขาก็ร้อง ที่สิ่งประเด็นนี้มันก็จบไปอะค่ะมันมีคนพูดเยอะเหมือนกันว่าอย่างเวลาที่เราจะไปไปช่วยไปรับฟังคนไข้เนี่ยแล้วก็พูดแล้วมันเรื่องเศร้าแบบมันเรื่องมันแบบโอ้โหมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะชื่นเราร้องไห้ได้ไหมเนี่ยจริงๆคิดว่าไงนะคะพี่รสว่าได้อก็ดีนะคะมีคนที่เอมาร้องเป็นเพื่อนกันอะ อือฮ่าเพราะว่าเป็นคนที่ปรารถนาดีกับเราแล้วก็ยินดีรับฟังเราแล้วก็มาร้องด้วยกันเราก็ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันวันหัวรอด้วยกันยังได้เลยทําไมจะร้องไห้ด้วยกันไม่ได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยค่ะดีออกค่ะดีออกซึ่งก็ค่ายที่พระอาจารย์บอกว่าบางทีเราก็บางทีจังหวะที่เราอินไปกับเขาเนี่ก็ทําให้เขารู้สึกดีว่าโอ้คนนี้เข้าใจเราอขอให้รู้สึกว่าไม่ได้เสียแซงแล้วคนนี้ปรารถนาดีกับเราแค่นี้ก็พอแล้วจะเอาอะไรมากคะ แต่ก็แต่ก็มีหลายกรณีนะคะที่พอลองแล้วไปฟูมไฟล์ใหญ่โตกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเขาต้องมาปรับเราอย่างนี้ก็ดีนะคือ <นะ S 2> ควรจะมองว่าถ้าเขาหยุดทิ้งเราก็ควรจะหยุดเนียน ะ, ะไม่ควรจ ะ, ะไปอเล็อกมากขเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการไปเข้าไปรับรู้ความรู้สึกเขาเนี่ยดีแต่ว่าก็ต้องยั้งตัวเองระดับหนึ่งที่จริงปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะคะอย่าไปพยายามจะคอนโทรลอะไรมากมายเลยปริศนาดีก็พอแล้วอ่ะไม่ใช่เหรอคะอ่า ใช่ไหมฮะจูวเห็นเห็นอีกแบบหนึ่งค่ะคือคือจริงๆรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่คอนโทรลคือเห็นด้วยว่าคนจะเป็นธรรมชาติแต่ถ้าสมมุติว่าอ่าพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยในแง่ของอุตมามีความรู้สึกพอพอเราเศร้ามาแล้วเนี่ยมันมันคิดอะไรไม่ออกมันอย่างที่ออกว่าแล้วก็คือถ้าพูดภาษาพระก็คือสติปัญญามันไม่เกิดสติมันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดชายมันจมไปแล้วก็จบ คือบางทีเราอาจจะมีก็ได้ใครจะรู้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราประคองใจไว้แล้วก็มีสติทอแล้วก็บางทีปัญญ า, าจะเกิดว่าจังหวะ น, นี้เรารู้จักเขากรณีเป็นเพื่อนกันเนี่ยมีเรื่องบางเรื่องนะที่อาจจะพูดให้เขาปุ๊บขึ้นมาแล้วก็อาจจะคลายก็ได้อาจจะช่วยมันก็เป็นการช่วยอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะอย่างถ้าคนที่เขาซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอภายลึกประสบการณ์ใช้แต่เรื่องนี้อ่า บางทีก็ไม่ไม่ไม่จมถ้าจมกับเขานี้เราแย่เลยเราไม่สามารถจะดึงเขาขึ้นมาได้เลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเราหมุนไปกับเขาเนี่ยเราเราก็แย่เขาก็แย่อย่างนีน้แล้วใครจะดึงขึ้นมาได้แต่อย่างน้อยคือคือวิทมาเคยเปรียบเทียบว่าจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับใบบัวมันไม่ใช่ว่าไม่ไรู้นะมันรู้นะมันสัมผัสมันรับได้แต่ว่ามันไม่ไม่ได้ติดอะ่ะไม่ได้ซึมมาเป็นของเราเราก็รู้ว่านี่คือความรู้สึกของเขาแล้วมันมีความ เห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์นี่เห็นใจเข้าใจเต็มที่เลยว่าถ้าเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบเดียกับเขาเนี่ยก็รู้สึกแบบนี้แหละแต่ขณะ น, นี้มันมันไม่ใช่ของเราไม่รับมาเป็นของเราแล้วก็พออย่างนี้เนี่ยเราก็ยังมีความสุขของเราในการที่จะอ่ามามาช่วยเขาได้หรือแมก้กระทั่งการใช้เวลากับเขาก็เป็นความสุขของเราได้ไม่งั้นการใช้เวลากับเขาก็กลายเป็นความทุกข์ของเราเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีกับเราเอ ง, งคือพอช่วยคนอื่นก็จะมารู้สึก ตัวเราก็สําคั ญ, ก, คญก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ<ม>จริงๆมันก็เป็นเป็นอาจจะเรียกว่ามันเป็นเฉดก็ได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เวลาที่เราเราเข้าไปรับรู้แล้วโดยที่เราตอนนั้นอาจจะยังคิดว่าทําอะไรไม่ได้มันก็อาจจะแค่รับรู้ก็อาจจะพอใช่ไหมคะแต่ถ้าถ้าเป็นอย่างที่ท่านจี ว, ว่าว่าแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยบางคนมันแค่นี้เนี่ยมันไม่เกิดปัญญามันมัวจะไปจมแล้วมันก็ไปคลุกอยู่กับอารมณ์จนนั้นมากจนกระทั่งว่ามันไม่หลุดนะมันก็อาจจะทําให้ สถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งอันนี้มันมันอาจจะต้องดูละมังแล้วว่าว่าตรงนี้แค่ไหนที่ที่พอดีซึ่งถ้าเกิดว่าเราเราเองเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงเนี่ยทําอย่างประสีว่าน่าจะพอพอเป็นแนวได้ว่าเอออาจจะกลับมาดูว่าตอนนี้เราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอันนหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่มีเออมันไม่ได้บอกว่าต้องเออแต่ว่ามันต้องพยายามที่จะดูว่าเราจะรักษาสมดุลตรงนี้เนี่ยยังไงนะคะ แต่ขอกลับไปที่ อ, อมเรื่อง อ, อมนะครับก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้นะครยันว่าก็ดีนะคะที่คือร้องให้มันก็เป็นงานปลดปล่อยนะฮะร้องให้หมดหมดไปแล้วเหนื่อยมันก็หยุดเองอะนะคะเหมือนกับเหมือนเด็กนะใช่ไหมฮะแล้วมันก็ผัหลังก็ามาเศร้าใหม่ก็อีกเรื่องนึง อันสองเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่อยู่เอออ้อมแพร์ไหมว่าเอามาเปรียบเทียบว่าอันไหนที่เัาร้องไปเลยกับฟังถอยห่างอันนี้หนึงอันนที่แบบเออเราไม่ร้องเนี่ยอันไหนเราเราเราทำได้ดีกัน ต ร, ตรงนี้ก็มีหลายหลายคนพูดเยอะเหมือนกันนะคะว่าในกรณีที่คนที่มีภาวะซึมเศร้าะระยะยาวเนี่ยแล้วเวลาที่เขาพูดเรื่องเดิมซ้ําๆเนี่ยคนฟังเนี่ยมันอดไม่ได้ไที่บอกมันลาคาญมันเริ่มรู้สึกเมื่อไหร่แกจะหายเศร้าสักทีใช่ไหมย่าอยเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนมันเริ่มมีตรงเนี้ยมาซึ่งบางทีแล้วเนี่ยบางทีเราฟังยังไม่ทันหมดเลยเอาอีกแล้วใช่ไหมคะมันจะมีคําตอบบางอย่างที่มันเกิดขึ้นขึ้นในใจเรา ซึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะที่หลายคนบอกว่าพอมันพอมีมีคำตอบแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มจะรู้สึกว่ามันวนและไม่ฟังฟังแบบจากลอยนี่มันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆเลยที่ออนว่ามันลดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะชักไม่อยากฟังละใช่ไหะอืม โอเคค่ะคงไม่มีเวลามากพอนะคะมีประเด็นอื่นอีกไหมคะสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญในแง่ของการรับฟังที่เราจำเป็นเราคิดว่าเ ป, เ, ปเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะเชิญค่ะพี่นาค่ะสั้นๆเลยนะคะคือมีเอ่อคนนี้เขาอยู่อเมริกาเขามีแฟนคือเป็นแฟนเอ่ออย่างที่อเมริกาคือไม่ได้แต่งงานเน่ยนะคะเอ่อเขายุ่งส เหรือ42เนี่ยแฟนเขาเนี่ยอายุ31หนุ่มฟอหล่อเฟียลนัดกันกินข้าวเย็นวันศุกร์เอ๊ะทำไมไม่มาก็โกรธมากเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่จนอีกส3าวันก็ตามไปที่ที่เขาพักพบว่าก็วันสุขนั่นแหละไปออกกำลังกายแล้วตายไปเลยดร็อปเดตอายุ31แล้วก็เป็นหมอด้วยคือมีทุกอย่างนี่เพอร์เฟหมดแต่ ตายขึ้นมาเฉยๆ เ, เขาก็ช็อกเพราะว่าอันนี้เป็นคนไทยเป็นน้อง เ, ออเาเพราะว่าเขาไม่เคยใกล้ความตายเลยและอยู่ที่อเมริกาทุกอย่างมันเป็นแบบว่ามันมีแต่ความมั่นคงของความไม่ตายอะ่ะหมอก็ทันสมัยหรืออะไรอย่างนี้อยู่ๆเด็กหนุม่มอายุ3 1ซึ่งเป็นหมอด้วยเนี่ยตายออตอนนั้นก็พอเขาโทรมาไอ้เราก็แหมเก่งก็ให้คำปลึกษายเลยในแต่ในขณะเดียวกันเอ๊ะแต่เาก็ยังไม่หายเศร้าก็เลย เขียนอ e ีเมลไปถามท่านเอหลวงพี่กรณีอย่างเนี้ยทํำยังไงหลวงพี่ก็บอกเออก็ลองฟังเขาสิเออเลยนึกได้รู้สึกเราจะพูดไปเยอะ <c oughs> ฟังเขาน้อย <c oughs> ก็เลยไปฟังใหม่ฟังไปฟังมาเพราะหลวงพี่บอกว่าเขาคงจะมีอะไรติดค้างอ่ะดูซิว่าเขามีอะไรติดค้างอ๋อก็ไปพบว่าเขาเนี่ยเออรู้สึกว่าเขายังไม่ได้สั่งเสียแล้ว พ่อแม่ของผู้ชายเนี่ยซึ่งเป็นคนเยอรมันคือเยอรมันเกาหลีที่อยู่ที่เยอรมันเนี่ยพอรู้ว่าลูกตายก็มาถึงก็เผาเลยเ อ, อคนนี้มาอีกทีอ้าวคือเจอก็ไม่เจอเสร็จเผาไปเรียบร้อยอีกแล้วอีกตั้งหากคือไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้สั่งลาแล้วก็ตายแบบช็อกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยและและ เ, เขาก็มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาค้างอยู่ใน ใ, นใจซึ่งเขาไม่ได้บอกเราจนกระทั่ง ปรึกษาท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ถามหมย่ยก็เลยรู้ก็ก็เอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เาก็เป็นพุทธแบบพุทธแต่ในานามอะไรอย่างเงี้ยและทั้งนู้นก็ก็อย่างว่าเป็นชาวต่างประเทศก็เลยคิดว่าไอสิ่งที่ค้างอยู่ในใจท่านก็บอกว่าให้ดูซิว่าเขาอะไรที่ค้างก็คือการสั่งลาอ่ก็เลยบอกเขาบอกว่าก็างี้สิเขียนจดหมายแล้วกันให้เขียนยาวๆเลยนะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำพิธีให้แต่นั้นก็นึกไม่ออกอาง น, นี้และกันเดียเด๋ยวเดี๋ยวคื อ, ค, อคือเอาไปเป็นแบบไปเผาที่วัดก็ได้ให้ไปถึงคนตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาคิดว่าปัญหาคือว่าถ้าเขาไม่ได้สั่งลาไม่ได้เขียนจดหมายลาเนี่ยเขาจะคิดอยู่อย่างนั้นไปอีกนานเราก็ไม่รู้ต่คิดไปอีกนานแค่ไหนเขาก็เลยอาดีใจก็รู้สึกว่าเบาลงเขาก็ ไปเขียนก็ใช้เวลายาวมากแต่บังเอิญในช่วงนั้นเขาก็ไปเจอฝรั่งอีกคนหนึ่งซึ่งเคยมีภรรยาเป็นคนไทยแล้วภรรยาก็ตายก็ยังสาวๆเหมือนกันไงก็เศร้ามากเหมือนกันก็ไปเจอผู้หญิงลาวผู้หญิงลาวก็ให้บอกทำแบบเดียวกันเลยคือบังเอิญมากเลยว่าบอกแบบเดียวกันว่าให้เขียนและไปไปที่วัดไปให้พระทำพิธีเผาไอ้จดหมายเนี่ยไปให้ คนนี้เขาก็เลยดีใจมากเพราะว่าสงสัยจะจะไปถึงได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าปัญหาของเขาก็คือจากที่ท่านสอนมาว่าเออถ้าให้เขาได้ทำอะไรไอ้สิ่งสุดท้ายที่ขาดใจก็คือแค่ให้เขาได้เขียนออกมาเนี่ยแค่นี้ส่วนเราจะไปทำถึงไม่ถึงไม่มีใครรู้แต่ว่าได้เขาได้ทำแล้วแล้วเขาก็ตอนที่เขาเขียนเขากร็รู้สึกแบบเขียนอย่างซาบซึ้งมากเลยนะเขารู้สึกแบบได้เทหัวใจเขียนออกมาหมดเนี่ย ก็ก็ได้ทําอันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นภาระที่ที่เราช่วยเขาได้จบไปเหมือนกันแต่ว่าไอความเศร้าอะไรของเขาก็จะ เ, เขาก็ยังเศร้าอยู่นะแต่ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ได้อะไรนะได้ทํำสิ่งที่ขาดใจก็ไม่ทราบว่าอยากจะเรียนถามหลวงพี่ว่าไม่ทราบทําถูกหรือเปล่าคะเยอะไปเยอะเลยโยนะนายช่วยก็ได้ไดนะเพราะว่าการที่ ได้ได้สื่อสารกับเขาได้พูดความในใจเนี่ยนะคือบางทไีไอความทุกข์หิวมันมันมนเกิดจากความค้างคาใจข้างในในการที่ได้พูดออกมาเนี่ยมันก็ได้ช่วยเยอะนะอันนี้ทําให้พิธีศพเนี่ยมันมีมีความหมายพิธีกวดน้ําสังฆทานมันมีความหมายต่อจิตใจของผู้คน แม้กระทั้งการการให้อภัยหรือว่าการขอโทษเขาตอนนั้นที่เขาไปแล้วเนี่ยแต่การที่ได้ขอโทษเขาได้ทำไปสักอย่างเพื่อเป็นการแสดงความขอโทษเนี่ยมันก็ก็ช่วยเขาได้เยอะก็ตรงนี้ที่ ท, ที่พี่นานเล่านี่ก็น่าสนใจค่ะว่าช่วงแรกเนี่ยเวลาที่เราเอ่อเราเราไม่ได้ยินไอความปรารถนาลึกๆเขาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความตั้งใจดี ควาปรารถนาดีกับเขาบางอย่างเราก็เลยใส่ไปเยอะมากใช่ไหมคะพอเราถอยออกมานิดนึงแล้วก็ฟังเขาจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มเห็นลู่ทางที่เราจะช่วยอะไรเขาแล้วก็สามารถช่วยทําให้คลีค่คลายได้จริงๆนะคนะคนะคก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะค่ะคือเวลาเวลาเราพี่อยู่ในขณะที่เราฟังผู้ป่วยรายที่สท้ายนะครับปกติแล้วเราจะมีความต้องการของเราบางอย่างนะครับอยู่ในใจอย่างเช่นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาทำอย่างนี้ครับ มีความคาดหวังอยู่ความต้องการความคาดหวังแล้วแม้แต่เราจะมีความรู้สึกบางอย่างทั้างในเนี่ยอเจตานาทั้งหมดนะครับตัวจะมีอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับมันทําให้เป็นตัวนึงไปไปไปปล็อกการฟังเราครับไปจุดการฟังเราเนี่ยเพราะสิ่งสิ่งที่เราสำคัญคือว่ามีก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่ากานที่ฟังเนี่ยวางวางไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของเขาเข้าถึง ครูส้สที่แท้จริงของเขาเขาถึงที่สิ่งที่เขาต้องการที่แท้จริงนะครับรวมถึงที่อาจารย์มักจะพูดถึงนะครับซึ่งคือท่านถือว่าพระชอบชอบทำก็คือว่าคําแนะนํานะครับซึ่งมักจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราอยากจะอยากจะทําให้มากเป็นความตั้งใจดีแต่ขณะที่เสียงนี้มันล้นมักจะล้นนะฮะออกมาขณะที่ฟังเนี่ยถ้ า, ถ, าถ้าเราเบรกถ้ามัน ม, มีไม่แปลกนะครับมีก็ไม่แปลกนะครับถึงไม่มีมันคงแปลกแต่ว่า วางไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้ฟังเขาทั้งหมดก่อนความต้องการที่แท้จริงเราอาจจะรู้สึกเออเราได้ยินชัดขึ้นนะครับผมว่าตัวนี้สำคัญที่สุดนะฮะัำชาให้ให้ความช่วยชาให้ว่างครับ ไ, ไม่งั้นชามัน้นถ้วยแล้วมันไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่ได้ยินแตไ่ไม่เต็มค่ะโ อ, อเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองฝึกกันนะคะก็อยากให้ จับคู่นะคะสองคนนะคะถ้าเกิดนั่งเบา ก, ก็นั่งหันหน้าเข้าหากันนะคะถ้านั่งเก้าอี้ก็หมุนเก้าอีกก้ข้าหากันค่ะค่ะแต่ว่าให้มันกระจายอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะเสียงมันจะรบกวนกันมากมาค่ะ ย, ยังไงก็ได้ค่ะก็<ช> ตรงนั้นถ้าปิดกันเกินไปขยับกันออกนิดนึงไหมคะตรงกลางนี่ก็ว่างนะคะหรือจะมาด้านนี้บ้างก็ได้คะ่ะ